แนะนำบทนัวบทนัวเป็นบทมักกิยาะมียี่สิบแปดองการบทได้เริ่มด้วยการที่อัลลอฮ์ทรงส่ ง, งนบีนัวอะลัยฮิสสลามเพื่อประกาศเผยแพร่สัจธรรมและตักเตือนหมู่ชนของเขาให้ระวังการลงโทษของอัลลอ์บทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้ของนบีนัวการอดทนของเขาการเสียสละของเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยทางลับและเปิดเผยกระนั้นก็ตาม หมู่ชนของเขาก็หาได้ความสนใจแก่เขายิ่งกว่านั้นพวกเขาอยังอยู่ในการหลงผิดและการดื้อรัน้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอ์และความดีงามต่างๆของปรุงผ่านทางนาบีนัวอะัยฮิสลาดเพื่อให้พวกเขาขยันหมั่นเพียรในการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และพวกเขาก็จะเห็นร่องรอยแห่งอนุภาพและความเมตตาของปรุงในจักรวาลนี้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 เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนชัดแจ้งของพวกเจ้าพวกเจ้าจงเคารพพักดีอัลลอเถิดและจงยำเกรงพระองค์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน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 แท้จริงวรรคของอัลลอ์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาออกต่อไปอีกหากพวกเจ้าได้รู้ ال, nah เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉัน้ินเีรนาเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉันแท้จริงฉันได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวัน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 และแท้จริงทุกครั้งที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วมือของพวกเขาอุดหูของพวกเขาแล้วเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปง่งและพวกเขาดื้อรันและหญิงยโสด้วยความจงหองศ์มม uh um ครขั้นแล้วฉันได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผยคร ม, ม้อินนว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 และจะทรงทำให้มีสวนนันมากมายสำหรับพวกเจ้าและจะทรงทำให้มีแม่น้ำหลายสายแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์และความจริงพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าตามลำดับขั้นตอนอล้วคามจริงพระองค์ทรงสราวกเจตาับ้น พวกเจ้าไม่เห็นดอกรู้ว่าอาลัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆันอย่างไร